แต่ถ้ามีการยกตนข่มกระทบตนและผู้อื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ตรงเนี้ยมันมีการกระทบซึ่งกันและกันกระทบกระทั่งกันใช่ไหมดยราคะโทรศัโมหะก็ว่าเปเพราะผลมันตามมานะมันได้เหมือนกันแต่มันได้ได้ของมาแล้วมันมันมกจะเจอพวกนี้เจอพวกนี้ไปแล้วมันไปหมดเอา ง, ง่ายๆเลยนะต้องระวังเัน่อนี้อย่าให้มันเกิดใช่ทั้ง ภัยอุทกภัยราชภัยเป็นต้นอัคคีภัยนั่นแหละวายตะภัยนั่นแหละมาก็เคยเจอนะี่เจอลมพายุเนี่ยเป็นคารวานเนี่ยนะไปหมดเลยเนี่ยโอ้เอ๊ะแปลกมากเนี่ยนะเออไอ้ลมเนี่ยมันมาแปลกแปลกนะมันวิ่งตรงบ้านเราเงี่ยนะเออมันวิ่งมาตรงนั้นแหละเออของคน อ, อ, อื่นมันไม่ตรงเนี่ยนะมันมาตรงห้องเราเนี่ย แต่มันก็ตรงหลายคนแต่พวกเขาคนอื่นเนี่ยอยู่ใกล้ๆเขาเขไม่ตรงของเราเนี่ไปหมดเลยเนี่ยเหลือแต่เสานเนี่ยเนยเออเนี่ยมันหอบไปหมดเลยเนี่ยแต่ก่อนก็หาเหตุผลไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้หาได้แล้วแต่ก่อนโอ้สงสัยเราไปตั้งอยู่ตรงทิศ ท, ทางลมเขาว่าี่มันมันมาเจอภัยแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมตั้งตรงนี้ยลมมันจะมาพัดมันมีสัญลักษณ์บอกไว้ไหมมันก็ไม่มี นี่มาเจอภัยบางคนก็เจอัะบายบ้านบางบ้านเนี่ยโจรขึ้นบ้านอยู่นะ่นเลไอ้ข้างๆกันก็ปลอดภัยปลอดภัยเคยเคยเจอแบบนี้ไหมลองเปิดประตูมาดูเปิดทิ้งไว้เราลองดูทดลองบุญข้อนี้เนาะอ๋ะอ อ, อย่างนี้ก็ไปที่จริงประโยค้าวิบัติเนีเขาเรียกประย เารประโยช์เขาวิบัติเขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอก ย, ยังเรียประมาทแล้วก็อนุปหจทานนี่ไม่กระทบตนและผู้อื่นที่ถูกต้องน αι? ในข้อสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องว้ก็คือศรัทธาทานให้ไปแล้วก็คือว่าลูกหลานญาติมิตรเน่ยเป็นต้นเกี่ยวข้องกันด้วยว่า ตรงนี้ก็พลั่งพร้อมไปได้วยกรรมมาคุณแล้วก็ผิวพรรณก็หน้าเลื่อมใสเป็นต้นอะไรเนี้ยนะแล้วก็เชื่อในกรรมและผลของกรรมเป็นผู้มั่งคั่งด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นการให้ทานที่สะอาดหมดจดเนี้ยนีบริสุทธิ์ทั้งของทายธรรมและก็ความเป็นตัวคนที่มีความที่ทําตนและทายธรรมเป็นต้นให้สะอาดหมดจดเหล่าเนี้ยนะตนในที่นี้ท่านขับเน้นที่ กรณีที่เจตนาเป็นต้นเหล่านี้นะที่เป็นไปกับกุศลเป็นต้นทายาธรรมเป็นต้นก็ได้มาโดยความหมดจดได้มาด้วยนะั่นแหละใสแวงหาโดยธรรมได้มาโดยธรรมเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ลูกหลานญาติมิตรก็เชื่อฟังถ้อยคําการรัทานก็ให้ผลตั้งแต่ปฐมเมื่ยอนุขัตติทานก็คือว่าอยู่อย่างผ้าสุกด้วยแล้วก็ไม่ต้องเป้าทรัพย์ข้อสุดท้ายก็คือพ้นจากภัยทั้งหลายตรงนี้ต้งบอกว่า ถ้ามองตรงนี้ขันก็ขับเน้นถ้าเราดูอย่างนี้นะดูในชั้นของคำสอนถ้าดูในปฏิในทีขนิกายเนี่ยดูงนี้จะเห็นว่าเออเนี่ยในอัฏ ฐ, ฐานุ ป, ปฏิปฏิสูตรเนี่ยนะบุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องบระทีพแก่สำน้าหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนให้แล้วเขาเห็นพวกขติยามหาศาลพราหมณมหาาห์มหาศาลขรหาบดีมหาศาลที่เ อ, อื้อิ่มพร่ำพร้อมด้วยกามาคุณใช่ไหมที่น่าปรารถนาน่าพอใจเขาก็คิดว่าโนน้อเนี่ยหลังตายแล้วเราเพิงเกิดร่วมกับพวกขติยามหาศาล สมณพรหาหมาห์มหาศาลขณภารีมหาศาลเขาก็ตั้งจิตเริ่มตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นก็เจริญจิตนั้นอยู่เข้าใจไหมตั้งจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตเพื่อต้องการเป็นอย่างนั้นเพื่อต้องการเป็นกษัตริย์บ้างเป็นสมณพราหมณ์ที่เป็นคนมีความรู้ทางด้านชงคัมภีร์ทั้งหลายเหล่านี้นะแล้วก็เป็นขณภบดีมี่แปลาอะไรบ้า เดี๋ยวยังไม่จบจิตของเขาก็น้อมไปในทางต่ำเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแลเรากล่าวไว้สาหรับผู้มีศีลไม่ใช่สาหรับผู้ทุศีลแปลว่าการให้ทานเนี่ยต้องมีศีลกำกับด้วยไหมเออต้องมีศีลเพราะฐานะการปรารถนาเป็นมนุษย์ไงเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นได้กุศลศีลเป็นต้นด้วย แต่ก็ต้องมีทานเกี่ยวข้องใช่ไหมตรงนี้เพราะกุศลนั่นแหละจริงๆอะ่ะถ้าพูดถึงอย่างนี้นะว่ากุศลเนี่ยพูดถึงตัววัตถุหรือพูดถึงตัวไอตัววัตถุทานหรือพูดถึงเจตนาทานคําว่าตัวทานเนี่ยทานจริงๆขับเน้นกุศลเจตนาเป็นต้นไม่ใช่เป็นขับเน้นตัววัตถุตัวสิ่งของไม่ใช่อันนั้นเป็นโดยอ้อมโดยตรงจริงๆอะ่ะก็คือตัวกุศลนะจิต จริงๆการให้ทานจริงๆเนี่ยตรงนี้ต่อว่าเป้าหมายจริงในตัวเนี้เห็นไหมมหากรุสเนี่ ย, ยตตเนี่ยมหากุศละจิตเนี่ยจะทํายังไงให้แปดดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นให้มากมเขาจึงเรียกว่า<ม>ทานนะเจตนาทานนะเจตนาหรือเจตนาทานทํำยังไงจะให้เกิดเนี่ยให้มากแล้วจะขับเน้นยังไงจริงๆเป็นเรื่องของนา ม, มารม เป็นเรื่องของนามธรรมแต่ว่าอาศัยรูปธรรมเนี่ยเป็นสื่อเป็นสื่อเพื่อจะให้นามธรรมนั้นเนี่ยเกิดประชุมมากๆทีนี้มันถึงปริมาณบุญจึงไม่เท่ากันไงเนี่ยจากจากวัตถุชิ้นนี้เราจะจะผลิตบุญให้เกิดได้มากได้ยังไงในตรงนี้ใช่้หมเราจะผลิตยังไงให้บุญเกิดได้มากมันถึงไม่เท่ากัน เออเป็นอย่างนี้ไม่ได้ขับเน้นที่ตัววัตถุแต่มันก็ต้องมีวัตถุไหมต้องมี เ, เขาถึงมีคา ว, ว่าวัตถุทานคือปัจจัยสี่ตรงนี้ท่านถึงใช้คา ว, ว่าให้ข้าวน้ำเป็นต้นเหรอเนี้ยนะที่บอกว่าให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องให้แสงสว่างเนี่ยข้าวก็มาแยกออกเป็นหกใช่ไหม เป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารลมน้ำก็มาแยกเป็นสีเสียงกลิ่นรสแล้วก็ธรรมารลมผ้าก็มาแยกเป็นหกสีเสียงกลิ่นรสแล้วก็ธรรมารลมก็แยกไปสิเท่นะญานะยานะเนะคยยังไงเถว่าวถวายเลยยานะเนี่ยเลยอ๋อลองทำคิดได้น้อยจัง<ม>คิดได้สูงกว่านั้นหน่อยเดียวล่ม ตรงเนี้ยนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลท์ที่นอนที่พักและคือแล้วก็ปัจจัยปัจก็คือเครื่องให้แสงสว่างก็มาแยกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมสรุปจริงๆนะนี่ก็มีรูปไหมเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์เมื่อกี้ดูอาคารเนี่ยอาคาร ที่โยมกินการได้เวนประธานใช่ไได้ข่าวนะ่จะไม่ได้ไปดูยังไม่อาคารก็คือถวายรูปประา ธ, ธานังสั ท, ทาาธ า, พพาทานังคันธมมทานนางราทฎรานางโผฏฐพัฒนานางธรรมาทานงนี่ที่ถวายไปเนี่ยใช่ไหมแต่ถามว่าจะทำยังไงให้บุญเกิดได้มากโอ้เนี่ยบุญให้เกิดได้มากอันนี้โรงงานตั้งแล้วตอนนี้ตั้งเลย ได้ข่าวไปเปิดมาแล้วได้ได้ได้ประกาศแล้วก็บอกโรงงานของบุญที่ฉันเปิดวันนี้ทำการผลิตบุญวันแรกได้พูดอย่างนี้ไหมวันเปิดงานแม่เสดจได้นะ อ, อ๋อก็นั่นแหละเป็นงานโรงงานผลิตบุญพเพลินไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นได้กระซิบบอก <c oughs> ใช่ไหมอบอกว่าวันนี้ใช่ไหม จะเปิดโรงงานผลิตเม็ดบุญของกุศลใช่ไหมแบบให้หาประมาณไม่ได้อะจะเริ่มผลิตบุญแล้วเชิญท่านทั้งหลายใช่ไหมร่วมเป็นสมาชิกผลิตเม็ดบุญงองใช่มของโรงงานผลิตบุญนะหนะ้านะที่ตรงนี้ทีนี้ลองเอามาเป็นอารมณ์แล้วก็ใข้ครวนเนะียแล้วให้ ให้กุศ ล, ลเจตนาเกิดขึ้นให้มากเลยโอ้โหเนี่ยตอนเนี้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็เราถวายแด่สง <c oughs> ใช่ไหมสงเนี่ยไม่ใช่บุคคลนะใช่ไหมสงเนี่ยไม่มีคําว่าทุศีล น, นะไม่มีสงทุศีล น, นะไม่มีลองคิดดูทีเนี่ย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 พระธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะหลั่งไหลใชไมออกสู่กระแสใจของพุทธบริษัทเขาอีกใช่ไหมและในขณะเดียวกันลองคิดดูที่องคิดไปทีไรเนี่ยมเมล็ดของกุศลเจตนาไหลอย่างมากเลยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้เยเมื่อไรเราจะทำโรงงานอย่างนี้ได้อันนี้อันนี้มันก็แค่วัตถุไงสรุปออกมาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทามารมณ์ไงนี่ไง ใช่ไหมรูปารลมศัทธารลมคันธารมล้าสารมโหดถภารมแล้วก็นอกนั้นก็เป็นธรรมารลมแต่เร า, เอาอะไรเป็นประธานถาวายเป็นพุทธบูชาแก่พระรัตนาตรัยอะ่ะเอาลูกหรือเอาเสียงเอากลิ่นเอารสใช่ไหมอพหอเอาโหดพภะเลือกธรรมารลมปารบได้หมดเลยแต่เอาอะไรเป็นประธานนอกนั้นก็เป็นบริวาร ให่ ย, ยังแต่เนี้ยมันอย่างงี้เฉียนชัดเลยเทนี้อาศัยวัตถุนี่แหละเอาเป็นที่ตั้งเป็นโรงงานผลิตผลิตอะไรผลิตมหากุลุลเนี่ยมหากุศลเนี่ยจะเอาดวงไหนก็มนสิกานมนสิกานให้เกิดแล้วให้ต่อเนื่องให้ปริมาณของบุญเนี่ยทานนะเจตนาเนี่ยนะ ให้ให้หลังไหลให้แน่นนี่เป็นอย่างนี้ย่อมว่าวัดเาเข้าออกเข้าออกพระบุญไม่ออกมาเนี่ยมันลาบากต้องให้ออกเข้าใจไหมถ้าเห็นตรงนั้นด้วยเนี่ยอันนี้ต้องชัดคนบางคนเนี่ยเขาไปทำแล้วเนี่ยมโนภาพเนี่ยที่ปรากฏอันปรากฏเนี่ยนะก็น้อมรละลึกน้อมรละลึกปริมาณเนี่ย ปุพพาเจตนามุนจ่าเจตนาแลอะอปราเจตนาเนี่ยที่มันไหลอ่ะมังคนกว่าจะเสร็จเนี่ยลองคิดดูที่ด้วยเลี้ยวแรงด้วยลำแข้งนะด้วยอาบเงือต่างน้นํานะได้มาโดยทําเป็นของชอบรำเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยปุพพาเจตนามุนจ่าเจตนาแลอะอปราชเจตนาเหล่านี้ยคนเขาทำบางเงี้ยมันถึงปลื้มบุญมันเกิดตรงท่านีที่ปลื้มที่เป็นโสมนัสเป็นปีติปลาโมดปฏิสิทธิความสุข ใชไมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเอามานลึกเลกลึกไปเนี่ยเป็นจาคารนุสตินันจะไปแล้วนะแต่เนี้ยเป็นญานุสติไปแล้วนะเนี่ยเขาจเจริญกันแบบนี้ที่เขาจเจริญกุศลนะ่ะเขาจเจริญแบบนี้อ่าเขาเขาจเจริญแบบนี้ถ้าไม่จเจริญอย่างนี้มันไม่สดชื่นหรอกไม่สดชื่นหรอกบุญนะ่ะมันต้องได้จากการสดชื่นมันจะได้จากการปลื้มใจมันจะได้จากความสุข ใช่ไหมโสมนัสสมาธิมันจะตั้งมัน่นตรงนี้นี่แหละอันนี้คือเราจะทํำยังไงจากสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำมารมณ์เนี่ยใช่ไหมอะไรมันก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมารมณ์ทั้งนั้นแหละแต่ความให้ความสําคัญของเมล็ดผิดเมล็ดผลิตเมล็ดบุญเนี่ยที่เกิดยังต่อตือ้อต่อเนื่องจนชื่นใจอะ่ะให้สังเกต ด, ดูที่ว่านางวิสาขาก็ดีมาอุบาสก ต่างๆอนาถาพินทิกาเป็นต้นเล่านี้ท่านจะคอยเช็คตรวจตลอดเหละตรวจตลอดว่าเอ้ยบุญบุญของท่านช่องไหนที่มันไหลตลอดเนี่ยพระเห็นนั่นตื่นเต้นไงพออะไรเข้าไหสายที่เข้ามาสู่ในกระแสใจของท่านเนี่ยท่านก็จะเดินสายนั้นแหะเข้าความสุขได้ในสายนั้นเป็นอย่างนี้บุญเกิดแบบนี้แหละงัตรงนี้ก็ต้องเดินให้เป็นต้องไค้ครวนให้เป็นถ้าไม่เกิด มันเป็นผลิตเด้เพราะว่าจริงๆแล้วขนาดจิตหนึ่งมันก็หาประมาณไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมนี่เราต่อเนื่องได้ตลอดต่อเนื่องได้ตลอดเนี่ยเมล็ดของบุญบุญเจตนานี่เกิดขึ้นอย่างนี้มันเราได้เราได้ถวายเป็นพุทธบูชาจะเป็นชื่นใจตรงนี้ใช่ไห ม, เ ด, มเดี๋ยวนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้อามาเริ่มเริ่ม เริ่มสละเรื่องจีวงจีวรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นจีวรไม่ได้ขนลุกอย่างเนี้ยอันเนี้ยเห็นไม่ได้เลยอย่างเนี้ยมันตื่นเต้นอ่ะอย่างนี้เป็นต้นพอสละไปสละมาแล้วมันประทับอ่ะเขาย้ยว่าเนี่ยเพราะสละบ่อยใช่ไหมแล้วก็น้อมแล้วก็คิดตลอดทั้งสีใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเห็นจีวรนเนี้ยใช่ไหมถวายสีเป็นพุทธบูชาเป็นธงชัยของพุทธเจ้า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 มันต้องมันต้องสัมผัสได้บ้างเล็ ก, ลกๆน้อยๆะถ้าสัมผัสไม่ได้เลยเนี่ยมันก็แห้งดดบุญใช่ไหมบุญมันก็แห้งดินงดนี่เป็นอย่างนี้งั้นตรงนี้ถึงบอกว่าตัวบุญจริงๆท่านขัดขับเน้นเจดนาขับกุศลขับเน้นตัวกุศลเป้าหมายจริงๆอยู่ที่กุศลทีนี้ผลก็คือมันก็ไปได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์ ผลปรากฏกับภาวะวิภวะปฏิปัจจุบฐานนางมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความสิ้นแห่งภพชาติเป็นผลปรากฏให้สังเกตดูนะี้บอกว่าจิตของเขาน้อมไปในทางที่ต่ําถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นแปลว่าไงเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในะที่นั้นข้อนั้นแล้วเรากล่าวไว้สําหรับผู้มีศีลไม่ใช่สําหรับผู้ทุศีล ท่านผู้มีอายุทั้งหลายมโนปฏิธานของท่านภูมิมีศีลย่อมสําเร็จได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์กายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดนั่นเองแล้วการปรารถนาใช่ไมบางคนก็ให้ข้าวน้ําผ้าดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่พักที่พักกัเ น, นี่ยอยู่เนี่ยแล้วก็ที่เครื่องให้แสงสว่างแก่สำนาภาพามให้สิ่งใดหวังสิ่งนั้นอันนี้เขาก็หนุ่นหวังจารุมหาราชิกา จิตก็น้ อ, นอมจิตฐานจิตเจริญจิ ต, จตไปในอย่างนั้นก็เป็นไปในทางต่ําแต่พระศาสดาบอกว่าเป็นได้เพราะมีศีลไม่ใช่สาหรับผู้ทุศีลมโนปฏิทานของบุคคล ผ, ผู้ผู้มีศีลก็ย่อมหมดจดจนบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นจารตมหาลัชกาตวติงสายามาดุสิตานิมนานรดีปรณิมมิสสวัสวดีเป็นไปอย่างนี้นจนถึงพรมจนถึงพรม อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเขาได้สดับมาว่าเขาได้สดับมาบอกว่าบุคคลบางคนเนี่ยให้ข้าวให้น้ำให้ยานดอกไม้ค้องหอมเครื่องรูปไร้เขาหวังให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเป็นต้นเหล่านี้นะทีนี้กรณีที่เขาพิจารณาเขาหวังเขาบอกพวกที่ชั้นพรหมกายิกามีอายุยืนมีพิวพรรณงานมีความสุขมาก เขาปรารถนาว่าโอ๋นอหลังจากตายแล้วพึงเเกิดร่วมกับพวกพรหมพรหมกายิกาเป็นต้นเขาก็ตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขาก็น้อไปในทางที่ต่ำเห็นไมไมไมาจากทานเลยนะเนี่ยเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเปลี่ยนไปเพื่อเกิดในที่นั้นพระศาสดาก็บอกว่าข้อนั้นแลเราก่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สาหรับผู้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 ที่ทานนั้นจักให้ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นพรหมนั้นน่พระศ า, าสดากล่าวไว้ว่าสำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สาหรับผู้ทุศีล น, นี่ชัดเจนตรงเนี้ยนะท่านที่บอกว่าทานเนี่ยเป็นการฝึกไงตรงเนี้ยส่วนคำว่าให้เจริญให้เจริญก็คือกรณีที่บอกว่า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 อันผู้ใดได้ได้ได้วัตถุใช่ไหมทานย่อมทำจิตให้อ่อนได้ทานเนี่ยทำจิตให้อ่อนได้ยอมบริวารมีวัตถุชิ้นเอาวัตถุชิ้นนั้นไปมอบผู้ใดได้วัตถุแม้ผู้นั้นก็ย่อมมีจิตอ่อนโยนว่าเราได้แล้วจริงไหมโอ้เราได้อ่อนโยน พิจารณานี่ยเมื่อเราได้ที่จริงก็คือว่ายมว่าตอนตอนตอนอยู่ร่วมกับภรรยาครั้งแรกเนี่ยคิดว่าเป็นทานวัตถุทานหรือวัตถุ ก, กรรมดังนั้ น, น อ, อันนั้นจะว่าจิตอ่อนโยนก็ไม่ได้ต้องของให้ดีกว่ามีคนให้ของปุ๊บเนี่ยเราได้ปุ๊บเนี่ยจิตเขาอ่อนโยนว่าเราได้แล้วใช่ไหม เราได้เราได้แล้วจิตอ่อนโยนอันผู้ใดได้ให้แล้วแม้ผู้นั้นก็ย่อมมีจิตอ่อนโยนว่าเราได้ให้แล้วทานย่อมกระทำจิตของผู้ได้รับและผู้ให้ให้อ่อนได้ด้วยประการอย่างนี้เพราะเหตุ น, นั้นแหละพระบรมศาสดา จ, จึงตรัสว่าการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานฉะนั้นการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกในชื่อว่าทาน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 ภาษาสดาก็ตรัสว่าอะทันตะนนธรรมนังทานนังอาทานังทันตะทูสกังเป็นต้นนัไรเง้ย <c oughs> การฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทาน <c oughs> การไม่ให้เป็นเหตุประทุสลายจิตที่ฝึกแล้วใช่ไหมการไม่ให้เนี่ยการไม่ให้เนี่ยเป็นเหตุประทุสลายจิตที่ฝึกแล้วสัตว์ทั้งหลายย่อมฟูขึ้นแล้วฟุบลงเพราะ <c oughs> เพราะอะไร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 การให้เนี่ยการสละเนี่ยนะเจตนาคือจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละจิดจิตที่คิดจะน้อมเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยบ่อยๆจะบูชาด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยของหอมด้วยประทีบด้วยเป็นต้นเหล่านี้ยนะการที่คิดตรึกให้ควร บ, บ่อยๆให้ปริมาณเม็ดของกุศลเจตนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือ บ, บ่อยๆหรือมากๆแต่ละวันแต่ละวันนั่นอะชื่อว่าฝึกฝึกจิตอยู่นะเนี่ยนะ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 แปลว่าเอ๊ะถ้าเราไม่เคยให้เลยเนี่ยจะไปเจริญจานอานุสติได้ไห ม, ไมเราก็อโมทนาเอาไงบางคนก็คิดเอาแค่โมทนาได้ไหยบางคนเอ๊ะถ้าฉลาดคิดงั้นเราไม่ต้องให้ก็ได้แอบโมทนาเอาโมทนาฮะฮะเพราะจริงๆโมทนาก็เป็นใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นนะ อ, อ่านุมโมทนาส่วนบุญจัดเข้าอยู่ในทานเหมือนกัน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 กรณีที่น้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าเมล็ดบุญที่เกิดขึ้นฉนั้นคนที่คนที่คนที่มีทรัพย์มีสิ่งของต่างๆเหล่านี้เขาวัดกันที่เมล็ดบุญที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้แต่นี้เราก็จะมองเห็นนะอ๋แต่เราจะทํายังไงให้เกิดปราโมดปีติปัสสธิความสุขสมาธิได้ใช่ไหมปริมาณตรงนี้เราจะคิดยังไงอันนี้อยู่ที่ความฉลฉลาดและความที่ตั้งใจให้เกิด คิดยากไหมถ้าจะคิดให้เกิดเกิดจิตที่เป็นสมณะจริงๆเนี่ยคิดยากไหกมากก ย, ยากไหม ย, ยา ก, ย, ย, ากยากเลยเลยโอ้โหอันเนี้ยคือคือตรงนี้ต้องต้องเอาไปคิดเป็นจริงๆคิดยากไหมอ๋อ ทุกเรื่องใช่ใชก็ก็เป็นอย่างนี้ว่าบางท่านเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรเราเหอนว่าเรามีวัตถุอันเป็นที่ตั้งเหตุการที่จะผลิตบุญเนี่ยมันมีหลายชิ้นใช่ไหมหลายอย่างบางท่านก็ถนัดนัที่รูปบางท่านก็ที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสหรือที่ทำอารมณ์เนี่ยมันจะต่างกันออกไปแล้วก็ยังมาแยกเป็นข้าวเป็นน้าเป็นผ้า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 ถ้ารู้มุมอย่างนี้แล้วจะให้บุญเกิดทางไหนสอนในหนังสือจะเอาเรื่องอื่นบ้างดิแม่เลยมองจะมุมคือคือตรงนี้ต้องต้องสามารถให้เกิดได้จริงๆเนี่ยใช่ไหมเพราะไม่น้อยเลยนะที่เราคิดอย่างนี้ บางท่านเนี่ยให้ทุกวันตลอดให้ตลอดให้จนเป็นอัธยาศัยเลยตรงนเนี้ยบางท่านเนี่ยให้มาตลอดเลยใช่ไหมฉะนั้นการให้การสละมาตลอดเลยเนี่ยแลวตรงนี้ก็ลองมาพิจารณาโดยทีว่าว่าอะไรที่ที่นั้นตรงนี้ต้องไปฝึกแล้วไปฝึกแล้วท่านนึกบอกว่า ทานย่อนทำจิตของบุคคลเนี่ยนะการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกชื่อว่าทานการไม่ให้เป็นเหตุประทุสล้ายจิตที่ฝึกแล้วนะสัตว์ทั้งหลายฟูขึ้นแล้วปุ๊บลงด้วยทานและปีญ่าวาจาได้วาจาที่อดวดตรงนี้เป็นเป็นบริขารเป็นบริวารของสมถะและวิปัสนาตรงเนี้ยนะตรงเนี้ย ในชั้นคําสอนตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้นะว่าจะได้เห็นหลักตรงนี้ก็คือว่าท่านขับเน้นเกี่ยวในเรื่องของคําว่ามีความสมบูรณ์แห่งพบชาติและความสิ้นพบชาตินั้นเป็นผลปรากฏอันนี้เป็นอาการปรากฏเลย อ, อันนี้คือทานก็อย่างนี้เลยผลของทานอันนี้เพนมุ่งหมายอะไรทานเนี่ยตั้งอัธยาสัยไว้เพื่อเป็นเป็นปัจจัยเก่การพ้นทุกข์นะีให้เป็นปัจจัยเกี่ย เกี่ยวการพ้นทุกข์ถึงบอกว่าในคําว่าปฏิเขปะธรรมะธรรมที่ถูกปราบหรือละโดยโดยทานในกุศลจะแก่โลภะเป้าหมายจริงๆก็คือว่าต้องการทําลายตัวนี้โลภะโทสารสังเนี่ยทำลายโลภะทําลายโลภะนั้นเพราะโลภะเนี่ยไหมสรุปเขาก็ตระกูลเดียวกันนะนะไอ้โลภะโทสารนี่นะี่เนี่ยนเนี่ยมัชชริยะอยู่ดีกกับโทสารเนี่ย ตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันก็หมายความว่าโลภะนี่ถูกรถทำลายลงเบ็ดเสร็จนั้นนะ่ะพอไม่ยึดติดพอไม่ยึดติดในวัตถุชิ้นนั้น